เกี่ยวกับคำวลรรีคำคาภาวนาอยู่อย่างนั้นพยายามตัดกระแสตัดกระแสความคิดออกคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตก็ตัดมันออกทำคาเข้าใจว่ากระแสความคิดนั้นคือกระแสส ม, มทุทัยเปกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปล่อยมันไปเหมือนกับงูพิษให้มันเลือ้อยไปเลื้อยไปหนีไป อย่าไปแตะไปต้องกับมันความคิดบ่อยความคิดนี้นั่นนละตัวความคิดนี่นะคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คิดอยากได้อันนั้นคิดอยากไล่อันนี้นีคนนน้คิดโลภคิดโกรธมันอยู่นี่เรียกว่ากระแสความโลภความโกรธความหลงกระแสสมุทัยป่อยมันหนีไปตัดกระแสพันว่าตัดกระแส ตกระแสความคิดออกเหมือนกับกระแสน้ํากระแสไฟนี่แหละกระแสลมนี่แหละกระแสความคิดกระแสไฟถ้าเราตัดสายมันออกอตัดด้วยเครื่องตัดไฟนั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟที่คัดติดเครื่องตัดไฟเครื่องอะไรออกอันตรายมันก็ไม่มีจิตของเราก็เหมือนกันตัดด้วยสติ ด้วยปัญญานะตัดมันออกหรือเท่าเอาทันมาความคิดนี่เลยคือกิเลสนะจิตส่งนอกคือกิเลสนะักพุทธสุพรนะพุทธองค์ตัดเอาไว้นั่งอยู่ก็ส่งไปหากิเลสเขานั่งเอาทำเจ้ า, จาของนั่งเอากิเลสมันก็ไม่เกิดอะไรแล้วประโยชน์อะไรล่นะมีแต่โทษกิเลสมันเป็นของร้อนของร้อนคิดไปคิดมาก็เกิดลาคะ ลาคกคิดนาโทสัตถินาโมหัิทินาของร้อนเ ป, เปียกจะเหมือนไฟไฟสามกองหนึ่งเกิดจากความคิดอย่างเดียวตัดกะระแสทิ้งตัดออกโอปณนิยโกรหรือน้อมเข้ามาสู่ตนเองเรืยเถอะทวนกะระแสเข้ามาทวนเข้ามาหาจิตท้าใจหาผูู้ก วนเข้ามาหาคำบริกรรมคำภาวนาทำอยู่อย่างนี้ธรรมเป็นของเย็นคำบริกรรมคำภาวนาบทใดบทหนึ่งเรียกว่าธรรมถ้าจิตมาเสพกับของเย็นเปรียบเสมือนน้ำธรรมเย็นถ้าจิตมาเสพกับธรรมบทใดบทหนึ่งก็มาเสพกับของเย็นจิตของเราก็จะเยือกเย็น เป็นสมาธิลงไปได้ถ้ามันไปเสพกับของร้อนอ่าคือไฟราคะโทสะโมหันไฟมันเป็นของร้อนจิตของเราก็ร้อนอ่เป็นทุกข์นนะั่นแหละถ้ามาเสพกับของเย็นคือทำทำเปรียบเสมือนน้ําเป็นของเย็นจิตของเราก็จะเย็นเยียวเย็นเป็นสมาธิอย่างที่เราตั้งสัจจะเอาไว้ ขอใจิตของข้าพระเจ้าเยือกเย็นเป็นสมาธิถ้ามันมาเสพกับมันไปเย็นนะพยายามตัดออกอดึงจิตตัดทิ้งไปนะไม่ต้องเสียดายอะไรอาวานมันความคิดบางคนเขาบอกคิดยังไม่จบเดี๋ยวอีกสักหน่อยก่อนไหวยอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไไดตเตลิดเปิดเปลืองไปเข้าป่าเข้าดวงไป ต้องปล่อยมันตัดมันออกตัดออกปล่อยทิ้งความคิดเก็บเสมือนงูพิษพ่อแม่ท่านกล่าวไว้งูพิษมันเลื้อยไปถ้าใครไปจับไปแตะไปต้องมันมันก็จะชกเรากัดเราแหละให้เก็บให้ตายแหละถ้าเราปล่อยไปปล่อยทิ้งไปมันก็ไปของเขาเองให้เข้าใจอย่างนี้การภาวนา การนั่งภาวนาถ้าทำอย่างนี้ได้จิตก็สงบค่อยอบรมมันจิตของเรามันเคยเคยชินมันเคยชินเคยคิ ด, คดแต่ก่อนเราปล่อยจิตของเราให้คิดไปตามอำเภอจิตอาเภอใจเราจะมาจับเอาให้มันอยู่คืนห น, นึ่งวันหนึ่งรู้สึกว่าจะยากต้องค่อยๆทาไปฝึกไปเรื่อยๆนะ เขาใจอย่างนี้มันเปรียบจิตของเรามันก็เปรียบใช่หมมันยังลิ ง, ลงเปรียบเสมือนข้างอยู่ในป่าในดงแหละเราก็ไปจับเอาจิตของเรามาจับเอาลิงโ อ, อข้างมาจับได้แล้วก็เอามันมาฝึกฝึกให้มันเชื่องต้องอดนอนอดทนนะอดทนให้อาหารมัน ทีละเล็กและน้อยนะมันอย่งอาหารมันพอลมานมันมันกับเขาไปค้องช้างมาจากป่านั่นแหละเขาก็มาผูกไว้พอลมานมันไม่ให้กินน้ําไม่ให้กินหญ้ากินอาหารแหละเอาไปมันถอมมันโซมันโซมันผอมลงมันก็เปิดได้ถ้ามันอ้วนมันพีมันแข็งแรงอยู่มันก็สู้เราแหละทีนี้สู้เราแหละกัดเราแหละ ต่อสู้กับเราแหละสั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันให้มันอดนอนผ่อนอาหารลงกายของเรามันเหนื่อยมันเพลียมันไม่มีอาหารเต็มที่เหมือนแต่เก่าร่างกายมันผอมร่างกายมันนั่นลงมาจิตไม่ผอมด้วยนะเด็จิตมันก็ซึกง่ายนะมันจะซึกง่ายง่ายเข้า เหมือ น, นกับเขาฝึกช่างฝึกยินที่จับมาได้มันนะต้องทรมานมันซะก่อนของเราก็เหมือนกั น, นต้องคุมมันต้องฝึกมันค่อยอบรมมันให้จับจิตได้แล้วจิ่งจะเอาจิตมาสอนมาฝึกจิตเจ้าของอฝึกทำไมจิตมันโง่จิตมันหลงอยู่ จิตมนันรู้ไม่จริงจิตเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่นะท่านว่ามันไปรู้ตั้งแต่สมมุติมันไปเรียนหาเอาแต่สมมุติไปเรียนเอาปริญญามาไปหาเอาเงินมาใส่หัวเจ้าของเอากิเลสมาใส่หัวเจ้าของเขาเรียกว่านักบรรัตรบัณฑิตเรียนละเรียนแล้วละ แล้วละแล้ววางส่วนคนผ่านเรียนแล้วถือเอาเอามาแข่งมาอวดมาอ้างกันล่ะสมมุดนั้นะเรียนหาสมมุดน ะ, ะมันจึงไม่เห็นหมีมุดกับเขามันอยู่เตือนๆนี่แหละต้องจับจิตจับใจเจ้าของให้ได้เสียก่อนเหมือนเขาไปหาเอาของอาหารนั่นละ่ะหาปูหาปลาเนี่ยละ่ะถ้าได้ปูได้ปลามาแล้ว เขาจะทำอะไรกินก็ได้จะนึ่งจะแจ้งจะต้มจะย่างก็ได้ฉั้นใดจิตของเราถ้าเราจับเอาจิตเอาใจเราได้แล้วเราจะฝึกอย่างไรก็ได้ฝึกจิตอบรมจิตเจ้าของเขาเรียกว่าน้ํายอกเอาน้ำบนจิตหลงเอาจิตแจ้จิตนั่นแหละแจ้จิตเจ้าของจิตมันหลงจิตมันรู้จริง รู้ไม่จริงทํงานว่ารู้ไม่จริงต้องมาอบรมสอนอบรมจิตอบรมใจเอของใหม่มีแต่ไปหลงไม่ใช่ท่านเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาแปลว่ารู้ไม่จริงอวิชชาแปลว่าเมื่อแต่ด้านรู้หลงรู้หลงห ล, ล ง, ลลงนั้นเรียกว่าอาวิชชามันไม่รู้จริง มันหลงอะไรหลงตัวเองนี่แหละหลงขันห้านี่แหละหลงว่ายังไงหลงว่าขันห่านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่มันไม่หลงอื่นไกลหรอกหลงกายกับใจนี่เหละหลงลูกกับน้ำนี่แหละหลงขันห้านี่แหละถ้าจิตเราได้สมาธิแล้วก็เรียกว่าเราจับจิตจับใจ เราเห็นพุโทโธธรมโมโอสังโฆเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราเราก็เอาจิตของเราเนี่เมื่อมันออกจากสมาธิใหม่ๆเราก็อบรมจิตเจ้าของสอนจิตเจ้าของมันมีแค่นี้นะจิตมันก็ไปหลงขันหานี่หลงโลกกับนามหลงไายกับใจหลงโลกนี่นะหลงอารมณ์นี่หลงขันห้านี่เราต้มี ขันจึงเมื่อมันออกจากสมาธิใหม่ๆเรียกว่าจิตนุ่ม น, นวลผู้ควรแก่การใช้งานเวลามันสงบลงมันจะเย็นนะเยือกเย็นเป็นสมาธิมีแต่ความรู้ ๆ, ๆููเกิดขึ้นตัวผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธตัวว่างเป็นธรรมชาติอยู่เรียกว่าธัมโม ผู้รู้ว่าพุโทโธธรรมโมก็คือเราก็คือสังโฆเวลามันว่างลงเราจะเห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วทีนี้ก็เรียกว่าเราจับเอาจิตเอาใจได้อย่างนี้นะจับเอาจิตเอาใจได้เอาสติมาจับเอาจิตเอาใจเจ้าของเมื่อมันถอนออกจากสมาธิแล้วก็อบรมจิตอบรมใจเจ้าของ เหมือนกับเราจับดินจับข้างจับช้างไปในป่าได้นะั่นไปแล้วเราก็ฝึกอบรมมันนะอบรมมันบอกมันสอนมันสอนจิตเจ้าของนะมันมันหลงขันห้าก็มาถอดขันห้าออกให้มันดูตรงไหนว่าขันขันห้านะี่คืออะไรถามจิตเจ้าของนะถามจิตเจ้าของจิตของเราเนะ่ะสอบจิตของเราเนะี่ะ เรียกว่าอบรมอบรมสอนมันให้รู้ตามความเป็นจริงแต่ก่อนมันรู้หลงรู้สมมุติแต่นี้ก็สอนให้มันรู้ตามความเป็นจริงแหละอะมันหลงว่าขันห้านี่แหละคือสัตว์คือคนคือตัวคือ ต, คอตนคือเราคือเขามันก็มีแค่นี้นะหลงอยู่แค่นี้น ะ, ะถ้าดับขันห้าถ้ารู้เท่าขันห้า ก็ดับขันห้าได้พระพุทธองค์ตัดไว้นะั้นโลกบังธรรมอารมณ์บังจิตสมมุติบังวิมุตติขันห้าบังพระนิพพาน <c oughs> โลกบังธรรมโล ก, กคืออะไรล่ะโลกกับขันห้าก็อันเดียวกันหนึ่งนะแต่ใช้คนละสำนวนเฉยๆลูกเสียงสินลดปธพะธรรมรมนะเรียกว่าโลกภายนอก มันเข้าไปบังธทำทมก็คือใจธรรมชาติก็คือใจนะอารมณ์ก็เกิดจากลูกเสียงกินรสนะโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตโลกบังธรรมมันบังจิตบังใจเราไวนะ้โลกอารมณ์ก็บังจิตบังใจเราไว้ต้องรู้สอนให้มันรู้จากโลกโลกคืออะไรโลกแบ่งออกเป็นสองท่านว่า อันหนึ่งเรียกว่าโอกาสโลกอันหนึ่งเรียกว่าสัตว์โลกมันมีแค่นี้โลกโอกาสโลกก็ได้แจดินน้ำลมไฟอากาศธาตุทั้งห้าเนเรียกว่าโอกาสโลกดินจะมองให้ดีดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่าธาตุเรียกว่าโอกาสโลกนี่แะโลกพวกนี้แหละมันบังทำเอาไว้ส่วนวิญญาณคือสัตว์โลก สัตว์โลกอาศัยอยู่ในโอกาสโลกโอกาสโลกก็เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกเรียกคนละสำนวนเฉยๆดินน้ำลมไฟเรียกว่าลูกลูกกายของเราเรียกว่ากายส่วนยินยานก็เรียกว่านามเรียกว่าใจโลกกับขันห้าลูกกับนามก็เรียกว่าขันห้าโลกกับขันห้าก็อันเดียวกันนี่แหละมันมาหลงอยู่แค่นี้แหละ บางทีท่านก็เรียกว่าโลกบางทีท่านก็เรียกว่าขันห้าบางทีท่านก็เรียกว่าก้อนสะกอนกายบางทีเราท่านก็เรียกว่าสังขารบางทีท่านก็สมมุติเรียกว่าสัตว์บางทีก็สมมุติเรียกว่าคนบางทีก็สมมุติเรียกว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาเราไปถือเห็นเขาตั้งสมมุติขึ้นมาเราก็ไปถือเอาสมมติ จริงๆ จ, จังจังมันจึงไม่เห็นนิมุตถ้าเราวางสมมุติลงได้มันก็เห็นนิมุตถเท่านั้นนิมุตถคืออะไรละ่ะนิมุตถก็คือพระนิพพานนิมุตถคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากอารมณ์หลุดพ้นจากขันห้ า, าลหลุดพ้นจากโลกหลุดพ้นจากอารมณ์หลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าโลกหลุดพ้นจากโลกโลกนี้ก็ไม่มีนันนะ โรกหน้าก็มีโลกไหนๆก็มีหลุดพ้นจากขันห้าขันปัจจุบันนี้ก็ ม, มีขันในอดีตก็มีขันในอนาคตก็ไม่มีขันไหนๆกม็มีนะนั่นแหละดับขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายก็สงเข้อเรียกว่าลูกใจก็สงข้อเรียกว่านามนามสีมันเกิดจากใจกใ็เลยเรียกว่านามนะตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าลูก น, น้ำสีหนึ่ง เรียกว่าใจใจนะี่คือนามสี่อันเดียวกันนามสี่พอสงเคราะเขาเรียกว่าลูกเรียกว่าใจกายกับใจนี่เราหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในในี้ท่านจึงให้ถอดกายออกดูหลงว่าขันห้ามีสัตว์บุคคลหลงว่ากายมีสัตว์บุคคลตัวตนนอกเขาหลงว่าเวทานานี่คือสัตว์บุคคลตัวตนนอกเขาหลงว่าสัญญานีา่เนี่ย เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหลงว่าสังขารนั่นเนี่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหลงว่าวิญญาณนั่นเนี่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหลงว่าขันห้าเป็นสัตว์บุคคลตัว ance, ตนเราเขามีเท่านี้หลงอยู่เท่านี้แล้วก็เอารูปออกมาแยกออกรูปหนึ่งน่านสีเรียกว่าขันห้าเราก็เอา <unexpectedly> ลูกมาแยกออกให้ใจเราดูให้จิตเราดูนี่เราจะสอนอย่างนี้สอนจิตเอาในกายนี่ในก้อนสะก้นกายในลูกอันนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนธาตุก่อนทำในลูกนี้ลูกกายของเราเนี่แยกออกเป็นธาตุสี่แยกออกให้ใจเห็นใจเจ้าของเห็นเป็นสักขีพยานเป็นหลักฐานพยาน ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็แยกส่วนที่ค้นแข็งอยู่ในกายออกที่ค้นแข็งอยู่ในกายยี่สิบอย่างผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกไล่ไปก็เอาคำถามสี่คถามมาถามดินเนี่ยธาตุดินนี่เป็นเราไหมเป็นตนไหม ดินเป็นตนหรือหรือเป็นอะไรก็ต้องอธิบายต้องแจกบออกอย่างนี้ดินเป็นตนหรือเอาคาถามสี่คำถา ม, 4, ถามไปถามถามใจเจ้าของถามจิตเจ้าของจิตหลงเอาจิตแจ้แจ้จิตจิตแจ้จิ ต, จตนะดินมันเป็นเป็นเราหรือเราเป็นดินหรือดินมีอยู่ในเราหรือจิตมันก็จะตอบ ไม่ใช่ดินไม่ใช่เราดินไม่เป็นเราเราไม่เป็นดินดินไม่มีอยู่ในเราเราไม่มีอยู่ในดินนะจิตมันจะตอบกันไปอย่างนี้ตอบด้วยความเห็นนะให้เห็นว่าดินนี่ไม่ใช่เราธาตุดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้มันเห็น ตามความเป็นจริงอย่างนี้เอาท่านงั้นน้ำนั่นหรือหากว่าดินเนี่ยถ้าดินเป็นเราเนี่ย เ, เมื่อเวลาเราตายไปแล้วดินไปอยู่ไหนเราไปอยู่ไหนถ้าดินเป็นเราเมื่อดินแตกสลายเสื่อมสลายลงไปนี่ถ้าดินเป็นเราเราไปอยู่ไหนทีเนี้เมื่อเวลาดินมันละลายลงเขาเอาไปเผาทิ้งเป็นเถ้าเป็นถ่านไปเราไปอยู่ไหน ถ้าดินเป็นเราเราไปอยู่ไหนเราเป็นดินดินมันย่อยเป็นผงเป็นเท่าเป็นฐานแล้วเราไปอยู่ไหนหาเหตุผลมาหาักล้างกันอยู่อย่างนี้นะการอธิบายช้าเป็นการนานเป็นประโยชน์ถ้าดินเป็นเราเวลาเขาไปขุดหลุมฝังผีใส่ดินทำไมไม่ร้องโอยอย่าเอาคนตายมาฝังใส่ <laughs> ดินกลัว มันทำไมไม่ว่าอย่างนี้ดินก็กลัวผีถ้าดินเป็นเราเนะ่ยไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีหาหลักฐานพยานมายืนยันว่าไม่มีนะ พ, พระพุทองค์ให้ทาอย่างนี้เอา้าทีนี้ถ้าดินไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในดินนะทีนี้เอาน้ำออกมาน้ำเลือดน้ำหนองน้า เ, เลีอยงน้ำสเลดน้ำอะไรสิบสองอย่าง มาถามอยู่งั้นแหละน้ำเนี่ยเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือคนอยู่ในน้ําประจําเดือนนี่เป็นคนหรือน้ําเลือดนี่เป็นคนหรือเลือดอ่อนไหลออกจากฟันมันมีคนไหลออกมาด้วยหรือเออต้องให้เห็นว่ามีสัตว์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจริงๆถามอยู่อย่างนี้แหละช้าเป็นการนานเป็นประโยชน์ถ้าน้ําเป็นเราล่ะ เวลาเขาเอาน้าไปล้างขี้น้ำทำไมไม่ร้องโอ้ยเหม็นเด้เหม็นเด้มันทำไมไม่ว่าล่ะแสดงว่าเราไม่มีอยู่ในน้ำน้ำไม่มีอยู่ในเราหาหลักฐานพยานมายืนยันให้กับจิตกับใจยจ้ของเมื่อเวลาเขาเอาน้าไปกินน้ำก็ไม่ร้องเมื่อเขาเอาน้าไปล้างถ้วยล้างชามน้าก็ไม่เห็นพูดอะไร ถ้าน้ำเป็นเรามันก็คงพูดสแสดงว่าน้ำไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นลมไฟก็เหมือนกันสแสดงว่าดินธาตุก้อนสกลกายรูปของเรากายของเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นหรือหากว่ามันยังไม่เข้าใจละเอียดอยู่ก็ย่อยลงไปอีกทีเนี่ยที่คายออกมาดูอีกเอากรรมฐ า, านสามสิบสองมาดูยี่สิบอย่างคือธาตุดิน สิบสองอย่างคือธาตุน้ําเรียกว่ากรรมฐานสามสิบสองกรมมะแปลว่าการกระทําฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทําให้เกิดปัญญาก็เอาผมออกมาดูเอาผมเป็นเราไหมล่ะผมเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาไหมเราอยู่ไหนตัวตนอยู่ไหนในผมนั่นนะสัตว์อยู่ไหนคนอยู่ไหนไม่เห็นมันล่วงลวงลวงไปเออ ทำไมมันงอกทำไมมันยาวนั่นนะทำไมไม่ให้มันสวยสวยมันสั้นพอดีคุมได้ไหมบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่ม่อยู่ใต้อานาจของเรามันยาวก็ยาวเองของมันมันงอกก็งอกเองของมันมันล่วงมันหล่นลวงก็ล่วงหล่นของมันเองจึงเรียกว่าผมเนี่ยไม่มีเราอยู่ในผมไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในผมถ้าผมไม่มีนั่น ตั้งแต่ก่อนผมยังไม่เกิดมันไปอยู่ไหนผมเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ใหม่ๆผมยังไม่เกิดผมมันไปอยู่ไหนเมื่อเกิดมาแล้วมันล่วงมันหล่นลงแล้วมันไปเป็นอะไรบังคับวัชชาได้ไหมทำอะไรได้มันได้ไหมมันก็เป็นธาตุดินคืเก่าไม่มีสัตว์อยู่ในนั่นไม่มีคนอยู่ในผมผมไม่เป็นตนตนก็ไม่เป็นผม ผมก็ไม่มีอยู่ในตนต้นก็ไม่มีอยู่ในผมถ้าลูกผมเส้นเดียวนี่อาการสามสิบสองอยู่ในนี่ก็เหมือนกันย่อยมันผุมันทังลงไปมันไปเป็นอะไรเป็นดินตั้งแต่ก่อนมันไม่มาเป็นผมมันผมมันไปอยู่ไหนล่ะมันลอยไปอยู่ไหนตั้งแต่วิญญาณยังไม่ปฏิสนธิในคันแม่ไม่มีฐานอยู่อย่างนี้คำถามสีคำถา ม, ถามจนเห็นว่า ขันห้าเป็นตนไหมทีเนี้ถ้าเอามารวมกันทีเนี้เอาขันทั้งห้ามารวมกันเอารูปหนึ่งนามสี่มารวมกันเรียกว่าขันห้าขันห้าเป็นตนไหมทีเนี้ถามใหม่อีกตนเป็นขันห้าไหมขันห้ามีอยู่ในตนไหมตนมีอยู่ในขันห้าไหมไหนตนอยู่ไหนอะไรเป็นตนขันห้าเขาก็สมมุติตนเขาก็สมมุติหมดไม่มีอะไรมีแต่สมมุติอื ขันหาก็สมมติขึ้นมาใช้กันพูดกันเฉยๆตนก็สมมติขึ้นมาพูดกันเฉยๆไม่มีตนตนจริงๆไม่มีมีแต่ตนสมตมติมีเอาไปมาก็เห็นสมมติหมดแล้วเจนเห็นเป็นสมมติหมดไม่มีอะไรนี่เราก็แยกออกให้ดูอย่างนี้แยกออกให้จิตให้ใจให้เห็นด้วยตาจิตตาใจตาสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าตาจิตตาใจเห็นด้วยตาใน ไม่ใช่เห็นตานอกตานอกมันก็ตาหยาบหยาบมันก็เห็นของหยาบหยาบตาในมันตาละเอียดมันก็เห็นของละเอียดจึงเห็นว่าในก้อนสกลกายกายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแหละที่หนึ่งความเห็นถูกต้องที่หนึ่แต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละกายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเมื่อไม่ดูหมดแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในน้เยวกายสัตว์แต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตบุคคลตัว reunion, ตนเราเขาเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาเขาตั้งสมมติว่าเวทนาเฉยๆไม่ใช่สัตบุคคลตัวนตนเราเขาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาจึงเห็นว่าขันห้านี่ว่างเป็นขันว่างคำว่าว่างว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวจากตนจากเราจากเขาเนี่ย นี่แหละ ว, วิธีภาวนาที่แรกก็ได้สมถะแล้วก็ออกจากสมถะแล้วก็เอามาเดินปัญญาเดินปัญญาเทศให้เจ้าของฟังสาธยายธรำให้เจ้าของฟังถ้าเื่อมีคนมานิมนต์ไปเทศแล้วก็เทศตามที่เราสาธยายไปนี่แหละไม่ได้ไปท่องมาดอกเทศนะทำมันไหลออกมาจากธรรมธรรมนี่ ธรรมชาติคือใจธรรมก็คือใจธรรมแปลว่าสิ่งสิ่งใดก็ตามเรียกว่าธรรมธรรมมันก็ไหลออกมาจากใจนี่แหละไหลออกมาจากธรรมนี่แหละพูดอะไรก็เป็นธรรมไปหมดแล้วที่ไหนพูดอะไรเห็นธรรมแล้วนะพูดอะไรก็ไปเห็นอะไรเป็นธรรมเห็นรูปธรรมเห็นรูปเป็นธรรมชาติเห็นรูปเป็นธรรมดาเห็นใจเป็นธรรมชาติเห็นใจเป็นธรรมดา เห็นลูกทำนามธรรมพูดออกจากนี่เนะ่ยธรรมพระพุทธเจ้าก็บัญญัติออกจากนี่นี่แหละเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่ก็ พ, พูดเรื่องกายกับใจนี่เท่านี้ไม่มีอะไรถ้าเข้าใจแล้วก็เรียนจบขันห้าจบสมมุติแล้วสมมุติทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่ขันห้าย่อลงมาอยู่นามสี สมมติอยู่ในโลกนี้มาเหลืออยู่เราคนเดียวฟังออกไหมล่ะเนื้เราก็คือสมมตินะ่ะสมมุติว่าเราเราจริงจไม่มีหรอกถ้าดับเราได้ก็ดับสมมติได้ดับขันห้าได้สมมติทั้งหลายย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจกายกับใจก็คือขันห้าห่เหลืออยู่ขันห้าย่อลงมาเหลืออยู่นามสีย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียว สมมติว่าสมมติออกฝึกใจหน่อยผู้ไปรู้สมมติกคือใจหน่ยผู้ไปตั้งสมมติขึ้นมาก็คือใจน่ออ่ผู้ไปถือเอาสมมติก็คือใจน่ออสมมติย่อลงมาเหลืออยู่ใจอันเดียวนะง่ายไหมล่ะที่ี้ง่ายไหมอ่ใจนี่แหละท่านเรียกว่าเรานี่เราคือผู้รู้เราก็คือใจนี่แหละขันห้าก็คือเราเนี่ยเราก็คือขันห้าเนี่ยย่อลงมาเหลืออยู่เราตรงเดียว ฆ่าเราได้ฆ่าเราได้ก็ฆ่าขันห้าได้ก็ดับขันห้าได้ฆ่าด้วยสติปัญญาด้วยเห็นว่าขันห้ามันว่างจากสัตบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยฆ่าอย่างนี้วิธีฆ่าเรียกว่าปะหานะเรียกว่าละว่าว่างไม่ได้ไปทําอะไรดอกนี่แหละหลงขันห้า ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขาเมื่อมาแกขันห้าออกแกกายออกแจ ก, กเวทนาแจกขสญัญญาสังขารวิญญาณออกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเรียกว่าสัมมาทิฐิแต่ก่อนเราเป็นมิจฉาทิฐิทิฐิคือความเห็นมิจฉาคือเห็นผิด เห็นผิดจากทรรมนองทองธรรมเห็นผิดจากความจริงเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามีแค่นี้เมื่อถอดขันห้าถอดกายถอดเวทนาออกถามหาสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีจริงๆก็เรียกว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเรียกว่าสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเกิดขึ้น ถ้าความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วสบายแล้วที่นี้ถ้าขันหาเห็นว่าขันหาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสัตว์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตวบุคคลตัว ต, วตว o o. นเราเขาอนี่ถ้าความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นเรียก ว, ว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ เป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อยล่ำไปถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นความเห็นเมือ่อตาเห็นรูปเพราะว่าเราเห็นแหละทีเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิหูได้ยินเสียงเพว่าเราได้ยินแหะทีเนี่ยถ้าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่าแล้วทีเนี้ยว่าเล่นเฉยๆมันไม่เห็นจริงๆถ้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตาเห็ goodness, นรูปนี่ไม่มีเรามีเขาอยู่ในนั่นไมนตา จึงไม่สำคัญตนว่ามีสัตบุคคลอยู่ในนั้นเห็นจึงจะสัตว์แต่ว่าเห็นได้ก็จะละความโลภความโกรธได้เนี่มันง่ายไหมล่ะทีนี้ง่ายไหมถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐินี่สัมมาสังกรปรนี่นะเรียกว่าปัญญาปัญญาเห็นชอบปัญญาชอบความคิดชอบดัมมิชอบความคิดถูกต้องนี่แหละมันถูกแค่นี้ไม่ไปถูกไกลนะ ไมได้ไปซ uh, so <dam> ื้อไปหามาจากไหนนะตัวสัมมาทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐิก็คือเราคนเดียวนี่แหละมันเป็นได้ทั้งมิจฉาทิฏฐิเป็นได้ทั้งสัมมาทิฏฐิอถ้าเห็นว่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาก็คือใจนั่นแหละ คือเรานั่นแหละมันจะอยู่ไหนเอา้าถ้าไม่อยากเกิดอ่ะจริงไหมละ่ะเด็ดเดียวกล้าไหมละ่ะต้องอธิบายอย่างนี้คนไหนไม่อยากเกิดก็จะดับขันห้าได้หรือว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อถ้าแจกขันดับเราก็ไม่ถือว่าขันห้ามันเสื่อมสลายมาลายศูญไปเป็นเรื่องของถ้าของขันไม่มีเราอยู่ในนั่นไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนั่น ขันห้าเตกดับเรายังไม่อุปทานเอาขันห้าก็ทำที่สุดเฮงทุกได้ก็ไม่มากลับมาเกิดอีกง่ายไัมยหละที่นี่มันจะไม่ถ้ายังความเห็นผิดก็เห็นว่าเป็นขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่เมื่อขันห้าเก็บไข้ได้ป่วยเมื่อขันห้าเสื่อมสลายมันก็ร้องไห้ท่าควรนะ อะไรอวรนเสียดายกลับมาเกิดเอาขันห้าอีกคือเราถ้ารู้ว่าขันห้านี่ไม่ใช่เราเป็นเจ๊กเป็นจีนเป็นแขกมา่างไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เราอะมันตายมันแตกสลายไปก็ไม่ใช่เราตายเราคือผู้รู้เราคือพุโทโธตายไม่เป็ียนพุโทโธนั่งสมาธิเห็นแล้วพุโทโธผู้ตายไม่เป็นแลนเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับพุโทโธนั่นแหละขันห้าก็วางไปเลย ง่ายไหมละ่ะหงผู้ฉลาดผู้จริงก็รู้เท่าเอาทันผู้โง่กดูยังไงก็โงโอ่อยูงง่คือเกา่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คือเกา่าทําไมเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะขี้เกียจครูบาอาจารย์บอกให้เลื่อกายถอดกายถอดกรรมฐานห้กรรมฐานสามสิบสองก็ไม่ถอดออกดูสักทีนอนเฝ้ามันนอนทับมันอยู่นี่กรรมฐานก็เลยไม่เกิดสติปัญญาอะไรขึ้น นอนทับอยู่ตลอดขึ้นท่านให้บอกแล่เข้าไปดูกายของเรานี่แล่นทาวัดส่วนมนต์แล่เข้าไปดูกายนั่นคือขอ ง, ของตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาดูอย่างนั้นจากปลายผมจุดเท้าจากเท้าถึงปลายผมคําถามสี่คำถา ม, 4, ถามหนึ่งจําได้ไหมกายเป็นตนไหมตนเป็นกายไหมกายมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในกายไหมสี่อย่างกายเป็นเราไหม เราอยู่ไหนล่ะเราเป็นกายไหมล่ะเราอยู่ไหนล่ะเขาก็สมมุติว่าเราเฉยๆเราจริงๆก็ไม่มีกายมีอยู่ในเราไหมล่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่มีกายก็สมมุติว่ากายเฉยๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกายมันไมีอยู่ในเราเราก็ไม่มีอยู่ในกายความรู้อันนี้แหละจะเกิดขึ้นพระโสดาบันจึงให้ลสะสกัยทิฏฐิวิจิจิจฉาศิลพัฒน์ปรามา มานังเขามาถ้ำเขาอยากเป็นพระอรหันต์ปาลรดมูเล่าทั้งหลายอยากเป็นพระอรหันหันอยู่คอจะขาดตายตายเห็นลูกก็หันอยู่เงั้นหูได้ยินเสียงก็หันอยู่เงั้นอรหันไม่มันไม่หันนะไม่ยินดีไม่ยินลายนั่นเรียกว่าอรหันตายเห็นลูกก็ไม่ยินดีไม่ยินไล่นะอรหันหูได้ยินเสียงก็ไม่ยินดีไม่ยินล่นะท่าจิตให้ว่างเป็นกลางอยู่ เรียกว่าอหารหันอันนี้ละสักยะทิฏฐิก็ยังไม่ได้เวลาคูบาอาจารย์ถามนะ อ, อ, อยากเป็นพระอรหันหลายไม่เห็นขันห้าไม่รู้จักว่าขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันโลกเกิดกับดับพร้อมกันมันเกิดยังไงมันดับยังไงมันพร้อมกันได้ยังไงอะไรคือโลกอะไรคือขันห้าไม่รู้เรื่อง พระพุทธองค์จ <im> anyway. <im> ึงสอนให้พระโสดาบาลละสังโยชน์สังโยชน์มีอยู่ทั้งหมดสิบอย่างสักายทิฐิวิกิกิจชาสิรพัฒปรมาทสามอย่างนี้เป็นสังโยชน์ของพระสสดาบาลสังโยชน์คืออะไรล่ะทีเนี้สังโยชน์คือเครื่องผูกมัดรัสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีสิ้นสุดสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุด มีอยู่ทั้งหมดสิบอย่างสกฤตทิฏฐิวิจิจิจชาศิลิยภพปรามาตเป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันกามฉันทะพยาบาทพานาคามีพานาคามีก็ต้องละสกฤยทิฏฐิวิจิจิจชาวิริพภพปรมาตและละกามฉันทะพยาบาทได้อันนี้พระโสดาบันยังเป็นไม่ได้ละสกฤตทิฏฐิยังไม่ไม่ได้ไม่รู้ความหมายว่าสกฤตทิฏฐิคืออะไร มีแต่ได้ยินอ่านอยู่ในหนังสือได้ยินคนพูดได้ยินครูบาอาจารย์พูดยังไม่รู้ว่าสกฤตทิฏฐิคืออะไรจะแปลละอะไรยังไม่รู้จักฮะมันจะละได้หรือไม่รู้จักว่าสกฤตทิฏฐิคืออะไรเนี่ยมันมาสัาคันธ์อยู่ตรง น, นี้แหล ะ, ะต้องเข้าใจอสกฤตทิฐิก็คือความเห็นว่าขันห้าเป็นตนต น, ตนเป็นขันห้าขันห้ามีตนตนมีอยู่ในขันห้านี่ ขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยเราเรามีอยู่ในขันห้าขันมีห้าขันอย่างละสี่อย่างละสีเนี่ยท่านสี่คำฐานเห็นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้าอย่างละสี่และสี่สีห้ายี่สิบนี่เรียกว่าทิฏฐิวิปปิตรวิปปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิพระโสดาบันต้องละ สกายทิฐิได้ดับมิช้าทิฐีได้ต้องว่าเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเรียกว่าพระโสดาบันวิจิจิตฉาความโลเลสงสัยว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันห้าก็ดับลงไปถ้าเราถอดเราลือเราคลี่คลายขยายทําจนมันย่อยเป็นจุนเป็นผงลงไปไม่มีสัตว์มีบุคคลอยู่ในขันห้าจริงๆความโลเลสงสัยว่าสัตว์บุคคลอยู่ในขันห้าก็ดับไป เรียกว่าวิจิจิชาวะวิจิจิชาได้ศีลพัดปรมาทตยไม่ไปเชื่ออย่างอื่นเชื่ออย่างงมงายเรียกว่ามงคลตื่นข่าวไปได้ยินเขาว่าอันนั้นก็ตื่นอันนี้ก็ตื่นมันเชื่ออย่างมีพยานหลักฐานพระโสดาบรรันถอดออกมาดูจริงๆไม่งมงายนะไม่ใช่ไปเชื่อมงคลตื่นข่าวต้องเชื่ออย่างมีพยานหลักฐานแล้วเรียกว่าศีลพัดปรมาท การประพฤติพดวัดไม่ออกจากกายกับใจเลยทีนี้ไม่ออกจากขั้นห้าให้เข้าใจอย่างนี้ละสักยะทิฐิได้หลังจากนั้นก็ถอดกรรมฐ า, านสามสิบเอ็ดสามสิบสองออกคือเก่าแล้วทีนี้อันแรกถามว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทีนี่ถอดออกมาดูลอกหนังออกมาดูลอกเนื้อออกมาดูลอกกระดูกออกมาดู บ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าลองดูแล้เอามากินลองดูเอาเนื้อเจ้าของออกมากำหนดถอดเนื้อออกมามันสะอาดหรือสกรปรกเนื้อของเรามันสวยมันงามไหมกำหนดลอกหนังเจ้าของออกมาให้เห็นอสุภาสุพังแล้วเ่นี่ให้เห็นไกายเป็นอสุภาไม่สวยไม่งามสุภาษแปลว่าสวยมังามอสุภาษแปลว่าไม่สวยไม่งามแล้ว ลอกนังออกมันเบิงกันได้เวาลาไหอมันสวยอยู่ที่ไหนผมถอนผมออกผมไม่มีคนไม่มีผมมันสวยมันงานตรงไหนล่ะเขาจะแต่งงานกับเราไหมล่ะไม่เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายเลยถ้าผมไม่มีเขาก็ขยานขยแยงแนวอหัวหโล้นเหมือนกับผ้าจะไปแต่งงานกัน <c oughs> นี่แหละให้เห็น อาการส2 3ส3บสองสาสบเอ็ดสาสองให้เห็นอสุภามันไม่สวยไม่งามสุภามาจากคำว่าสุภามาจากโสภาโสพีแปลว่าสวยว่างามนะสุภาใส่สระอุก็ได้ใส่สระโอสระเอก็ได้แล้วแต่เป็นภาษาบาลีสุภาษแปลว่าสวยว่างามโสภาก็แปลว่าสวยว่างาม โสพีก็แปลสวยว่างามถ้าหญิงสวยิงามเขาก็เรียกว่าโสเพณีหญิงสวยหญิงงามเรียกว่าโสเพณีไม่ใช่คนไม่สวยนะโสเพณีสวยโสเพณีก็แปลว่าหญิงงามเมืองแปลว่าคนสวยคนงามถ้าลอกหนังออกใช่ไหมมันสวยไหมล่ะลอกหนังออกเอาผมออกมันสวยไหมเอาขนคิ้วออกขนคิ้วไม่มีก็ต้องไปปลูกใหม่มันสวยไหมมันงามไหม น้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมันเป็นยังไงขี้ไขรไหลออกมาถูกเสื้อผ้ามันเหม็นหรือมันเหม็นสาบเหม็นขาวไหมอ่น้ำมูกน้ำลายไหลออกมามันน่าดูไหมขี้หูขี้ตาไหลออกมันเป็นยังไงมันสวยไหมฟันไม่มีมันสวยไห ม, ไ ม, ม, ม, ไหมอ่คนไม่มีฟันน ะ, ะจมูกว่าจมูกแหวงมันสวยไหมลอกออกมาทั่ว แต่ะละพังกายมีแต่ก้อนขี้ขี้ตาขี้หูไหลออกจากหูขี้ปากขี้ฟันก็ไหลออกจากฟันขี้ฟันก็เหม็นเหมือนกับขี้นั่นแหละเอาไม้ไปจิ้มมาดูมาดมดู เ, เหม็นนั่นแหละฟันก็เหม็อนอย่างงั้นมันสวยหรือมันงามหนังของเราถ้ามันถูกอันนั้นอันนี้เปิดเืเ่อนเข้ามาหรือเป็นขีู้ดขุดถังมันสวยหรือมันงามให้เป็นเห็น อสุภเห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นของปัิกูลโสโคกมีแต่ขี้มีแต่ขี้ดินมีแต่ขี้ไหลออกมาไม่เห็นมันมันสวยมันงามมีแต่น้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตลอดคืนตลอดวันไหลออกมาอย่างนี้เราไม่สังเกตเราไม่เห็นมันออกมันมาถูกผ้าเราก็เหม็นสาบเหม็นข้าวไม่ซักไม่ล้างก็เน่าเหม็น เดินใกล้คนอื่นก็ไม่ได้เลยเห็นอับเห็นนั่นเราเรียกว่าเห็นอสุภะเห็นเราเห็นกายเป็นอสุภะก็จะเบื่อหน่ายในกายของโอ้ยไม่อยากมาเกิดอีกมันสกรปรกมันเก็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีอะไรดีเลยกายมันไม่โสภาโสดีเหมือนเขามันเป็นอสุภะไม่โสภาไม่โสพีไม่สวยไม่งาม ยิ่งเบื่อหน่ายในกายเมื่อเบื่อหน่ายในกายก็เบื่อหน่ายในกามไม่อยากไปเสียกามกันนละทีนี้หัวเมียนอนร่วมกันก็ไม่ได้อีกแล้วทีนี้อืมถ้าเบื่อหน่ายในกายเจ้าของก็เบื่อหน่ายในกายคนอื่นเห็นว่ามันมีแต่น้าอสุจิอสุจินโนแปลว่าของไม่สะอาดไหลออกมาเต็มไปด้วยไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี่แหละ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอนาคามเบื่อลายในกายก็เบื่อหน่ายในการเมื่อเบื่อหน่ายในการก็เบื่อหน่ายในการเกิดเมื่อไม่ไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มีก็เรียกว่าอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นผู้หญิงก็ไม่ให้คนเข้าไปในท้องเจ้าของอีกเบื่อหน่ายในกายเจ้าของเบื่อหน่ายในกายผู้อื่นแล้วเห็นว่ามีแต่ของสกปรกเน่าหมันเป็นอสุจิหมด อสุกิโนนี่ยที่เราสวดไปเนี่ยมีแต่ของเน่าของเหม็นอสุกีแปลว่าข้องเน่าข้องเหม็นสุกีแปลว่าไม่เน่าไม่เหม็นอสุกิสุกีแปลว่าเน่าเหม็นอสุกีแปะแปะให้มันถูกนะอสุกิโนนั่นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่สะอาดสุกีแปลว่าสะอาดอสุกีแปลว่าไม่สะอาดเป็นของเน่าข้องเหม็นต้องให้รู้จักอสุกีแปลว่า ไม่สะอาดสุกีแปลว่าสะอาดอสุกิโนแปลว่าของไม่สะอาดในกายเราเห็นอย่างนี้ก่กายคนอื่นก็ไม่สะอาดมีแต่ของน่องของเหม็นอยู่ในนั้นไหลออกมาขี้ตาก็ไหลออกจากตาขี้หูก็ไหลออกจากหูขี้มุกขี้ดังก็ไหลออกจากจมูกขี้ปากขี้ฟันก็ไหลออกจากปากถ้าวันหนักถ้าวันเบาก็ขี้อาหารใหม่อาหารเก่าไหลออกจากนั่นนำ้ำ มูดน้ำปูดก็ไหลออกจากถ้าวาเบามันเหม็นหรือมันหอมเอาไว้ตั้งไว้ช่วงขนาดหนึ่งก็มีกลิ่นขึ้นมาแล้วพวกนี้แม้แต่ไปเข้าห้องน้ำไม่ล้างส่วงนี้เข้าไปอีกรอบสองเข้าไม่ได้แล้วถ้าไม่ล้างออกเหม็นอสุกิโนโนั่นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของไม่สะอาดอถ้าวารทั้งเก้าก็ไหล อ, ออกทีตาก็ไหล อ, ออกจากตา อาสองจะโมสองปากหนึ่งถาวาวันหนักถ้าวันเบาเป็นที่สิ่งโกโปกโสโคกไหลออกไหลออกมาถูกเสือ้อถูกผ้ากนเน่าก็เหม็นแม้แต่กลิ่นออกมาจากปากเราไม่แปลงพันคนอืนก็เหม็นนี่ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเบื่อหน่ายในกายของก็เบื่อหน่ายในกามเมื่อเบื่อหน่ายในกามไม่อยากเสียกามร่วมกามกันร่วมเพศกันก็เบื่อหน่ายในเกิด ถาไม่มีเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ค, ความตายก็ไม่มีท่านเรียกว่าอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดอีกจะไปพระนิพพานบนสวรรค์ฉันพรหมมลกชั้นสุดทวารฉันพรหมโลกสุดทวารอาเวหาอัตตาสุทศัศสาสุทศัศสีศอาการิฐาพรหมโลกให้ฉันเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์เรียกว่าสุดทวารอาวาสของผู้บริสุทธิ์ อะไรบริสุทธิ์ไม่เสียกามอีกพวกนี้จึงเรียกว่าผู้บริสุทธิ์นะจะไปพระนิพพานบนพมะโลกไม่กลับมาเกิดอีกถ้าเป็นหญิงก็ไม่มีให้คนไปเข้าคันเจาะของเจาของก็ไม่ยอมเข้าไปในคันของคนอีกเป็นผู้ชายก็เหมือนกันไม่ไปเข้าในคันของคนอีกว่ามันสกกระปกเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอนาคามีเข้าใจไหม ทีนเห็นร่างกายของอีกนี่แหละกรรมฐ า, านห้ากรรมฐ า, านสามที่สองหรือก้อนสกลกายเราเนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อนาตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือเรายังไม่มาเข้าท้องคนเราไปอยู่ไหนแหละที่ได้ เมือมาเข้าอยู่ในท้องคนก็ทาให้มาอาศัยอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยดินกับน้ำดินกับน้ำมาจากไหนหาให้มันพบดินก็คือธาตุพ่อน้ำก็คือธาตุแม่ถ้าเรียกว่านะเรียกว่าโมก้อนนะก้อนโมนี่เราก็มาอาศัยอยู่ในก้อนนะก้อนโมนี่ณะก็คือนาทีน้ำสิบสองอย่าง เราได้มาจากแม่ก็นทีนี่ยนะโมก็แปลว่าดินธาตุดินเราได้มาจากธาตุพ่อพ่อแม่แต่งงานกันร่วมสังวาสกันแม่เป็นประจําเดือนน้ำสิบสองอย่างกันกองมาเป็นน้ําประจําเดือนดินยี่สิบอย่างสมภพกันกันกองลงมาเป็นน้ําอสุจิพ่อกับแม่ร่วมสังวาสกันตัววิญญาณยังมาอาศัยอยู่ในน้ํากับดินนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ไล่ไปให้มัน สุดธนะนี่แล้วน้โมมาจากไหนอ่ะหน้าโมตัดสานี่ก็มาจากนี่นะหรือหน้โมพุท ธ, ธายะก็มาจากก้อนสะกลกายก้อนเดียวนี่แหละอืมณคือนาทีคือแม่โมคือดินคือพ่อหน้โมพุทธคืออะไรคือความรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางดินทางกายทางใจเรียกว่าพุทธทาคืออารมณ์ อารม์ที่เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั่นละ่ะรูปอารมณ์ศัทธาลมขันธลมณ์นั่นกินเข้ามาอย่านี้ยยะนะโมพุทธทายะยะแปลว่าสุญญากาศคือสุญญากาศคือความว่างความว่างที่อยู่ในรูจมูกความว่างอยู่ที่ลำคอความว่างอยู่ที่ลําไส้ ความว่างอยู่ที่หน้าอกลิ้นปีความว่างอยู่ที่ไหนอยู่ในกายของเราเรียกว่าสุญญากาศแต่ว่าความว่างเหมือนกับบ้างไม่ไผ่นั่นแหละมะหน้าโมพุทธยายะนี่ก้อนน้าก้อนโมก็อยู่ในนี่หมดต้องเข้าใจอย่างนี้นะการเจริญภาวนามันถึงจะก้าวหน้าเราหลงก็ามาหลงหน้าหลงโมนี่แหละ เรารู้ก็มารู้ลนะะรู้โมนี่แหละพระพุทธเจ้าก็มาตัดสิรู้ที่น่านณนะนี่โมนี่แหละไม่ได้ไปที่อื่นไม่เห็นมีอะไรเดินปัญญาไปแล้วรู้แจ้งซึ่งขันหานขอให้จิตของข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประการเทิเ น, นี่รู้แจ้งแทงตลอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านขอเขียนออกมาจาก ก้อนสกลกายอันกว้างสองยาวานะคือเรียกว่าพระใจปิดกเรียกว่าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันไม่เยออยู่ที่ไหนนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็อยู่ที่ก้อนสกลกายอันกว้างสองยาวานะคือเรียกว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตรพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันสูตรพระวินัยสองหมืหนึ่งพันสูตร พระปรมาสสี่หมืนสองพันสูตรรวมกันเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์อันนี้ไม่มีใครไปท่องได้หรอกแปดหมืนนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้พระอริยบุคคลอย่างนั่นท่านไม่ค่อยไปรู้หรอกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่ไปท่องเอาท่านก็ย่อลงมาเหลืออยู่สามขันธ์เท่านั้นพระสูตรสูตรไหนก็ตาม ท่านก็สอนหรือพระธรรมคำสอนท่านเรี่กพระสูตรสูตรไหนก็ตามท่านก็เขียนออกจากกายของคนเขียนออกวาจาของคนจากใจของคนสูตรไหนก็ตามก็สอนกายของคนให้ดีสอนวาจาของคนให้ดีสอนใจของคนให้ดีเท่านี้พระวินัยก็เหมือนกันคนอยู่ด้วยกันมากๆต้องมีระเบียบวินัยวินัยอะไรวินัยของกายไม่ออกกายไปทำ บาปทุจริตเหื่อสินใช่กันจ้อนสินใช่กันศุนย์ให้กันโกรธให้กันสอนเนี่แวินัยวินัยของกายถ้ามันโกรธขึ้นมาก็เข้าแหละจีเนี่ยทําท่าคือคักจะข่าจะติ๊กเอากายนี่แหละทําท่ายิงว่าวินัยของกายไม่มีระเบียรวินัยกายวินัยของวาจาวินัยของใจถ้าสูตรกับพระวินัย จึงมีสองหมื่นหนึ่งพันสูตรเท่ากันเพราะว่ามันสอนลงที่กายของคนวายจาของคนใจของคนเท่านั้นนะกายวาจาใจก็คือขันห้านั่นเลยสอนลงที่ขันห้านั่นเลยแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันกย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าขันเดียวขันห้าขันนึ่ขันขันห้าขันขันเดียวนี่นะคือใจอันเดียวนี่นะคือขันขันเดียวท่องเที่ยวอยู่ในสามเดือนโลกกระชาต ขันขันเดียวนไม่ได้อยู่ที่อื่นนะส่วนพระปรมัทิก็คือองค์พุท ธ, ธะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันถ้าย่อลองอีกก็ย่อให้ฟังอีกก็ได้ไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปอ่านไปท่องเอาดอกพููฉลาดแล้วพระสูตรก็คือสูตรลมเข้าเท่านั้นหายใจเข้าก็เรียกว่าพระสูตรหายใจออกก็เรียกว่าพระวินัยง่ายไหมล่ะทีนี้ ส่วนพระปรมัติคือองค์พุทธะก็สิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจพระพุทธองค์จึงตั้งศาสนาว่าพุทธศาสตร์แปลว่าตําศาสนาพุทธศาสนาศาสนาของผู้รู้ของผู้ฉลาดตั้งใส่ที่ไหนตั้งใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตุสัตว์ที่อยู่ในสารแดนโลกธาตุต้องมีพุทโธมีพุทธพุทธะก็ว่าพุทโธก็อันเดียวกัน กินตั้งใส่นี่สามแดนโลกธาตุหัวใจของสัตว์สมแดนโลกธาตุว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรียวกว่าศาสนาพุทธศาสนาของผู้รู้ศาสนาของผู้ฉลาดสอนคนให้รู้สอนคนให้ฉ ล, ลาดศาสนาพุทธไม่ให้โ ง, ง่ไม่ให้หลงไม่ให้งมงายพระสูตรพระวินยัยพระปรมัติฉะนั้นเวลา เรานั่งสมาธิภาวนาจึงให้เอาเมื่อเราเห็นลมเข้าเราก็เรียนจบพระสูตรเมื่อเราเห็นลมออกเราก็เรียนจบพระวินัยถ้าเอาเอาพระสูตรพระวินัยออกแยกออกเราก็จะเห็นพระประมัติ์คือองคุต t h เป็นผู้รู้รูููู้้้เนี่ยเมื่อลมหายใจระงับดับลงง่ายไหมแต่ภาวนาเทอนั้เรียกว่าอนาปานสติมีสติรูล้ลมหายใจ เข้ารู้ลมหายใจออกก็เรียกว่าภาวนาทุกอริยบวทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าภาวนาดูไปดูมาลมหายกายไม่มีก็เหลือแต่พุทธโธองค์พุทธะอันเดียวนี่แหละพุทธโธพระพุทธเจ้าก็รู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่คือพุทธโธเนี่ยพุทธโธคือพระพุทธเจ้าพุทธโธก็มีอยู่ทั่วไป พุทโธของพูทธาเจ้าก็เป็นอีกอย่างพุทโธของใครของเรามีหมดฮะพุทโธทมีหมดทุกคนนั่อยู่เนี่ยทุกท่านนะนเนี่ยถ้าไม่มีพุทโธก็นั่งอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีผู้รู้ไม่มีพุทโธอยู่ในเนื้อในตัวของเราพุทธโทธคือใจพุทโธคือผู้รู้พุทโธเนี่ยท่านเรียกว่าวิญญาณเพราเรียกเรียกว่าผู้รู้ก็เรียกวินก็คือลมญาณก็คือตัวรู้ น, นั่นแหละเรียกใส่กันว่า กิญญาณพุทธภาวนานแม้ใครจะไปเอาสัมมาละหังยุบหนอพองหนอหรือเพ่งดินน้ำลมไฟเพ่งอากาศเพ่งอะไรก็ช่างหรือจะเอายุบหนอพองหนอสัมมาละหังหรือพุทโธพุทโธสุดท้ายคำวริกรรมพวกนี้จะดับหายลงไปโดยปฏิยายเมื่อจิตมันละเอียดลง คงเหลือตั้งแต่ลมหายใจกับผู้รู้เอาแว่ลมมาหายใจเอาแวมาลมหายใจก็ระงับดับลงก็เหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวคือพุโทโธนี่แหละพุโทโธนี่แหละมันครอบจักรวาลอยู่นี่ถ้าอยากได้ก็ให้ภาวนาเอานะี่ยอยากเห็นพุโทโธภาวนาเอาภาวนาเอา น, ะนั่งสมาธิเอาจึงจะเห็นพุโทโธภาวนาเอาจึงจะได้พุโทโธเห็นพุโทโธนั่งอยู่เฉยๆแม่ไเห็นนะ ต้องเอาสติจับอารมณหายใจเพราะว่าพุทโธคือผู้รู้อาศัยอยู่ในลมหายใจต้องเอาสติจับอารมณหายใจลมเข้าก็สติก็แลรู้ว่าเข้าลมออกสติก็แล้วรู้ว่าออกว่าอยู่ในใจบริกรรมในใจว่าเข้าว่าออกนั่นแหละเอาไปมาลมละหุกายละหุลมหายใจเบาลงก็เรียกว่ากายละหุเพราะว่าลมหายใจก็คือกายส่วนหนึ่ง ดินน้ำลมลมก็คือกายส่วนนึไฟก็คือกายส่วนนเมื่อกายละหูคือลมหายใจละหูลงจิตของเราก็ละหูเบาลงกายละงับจิตก็ละงับลงความคิดละงับดับลงก็คงเหนือตั้งแต่ผู้รู้รู้รู้รู้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉ ย, เฉยนั่นแหละเอกคตาจิตเอกคตาลมก็รู้รู้อยู่เราก็ได้เห็นพุทโธ นี่แหละที่ว่าพุทธังสารนังคัจฉานิธรรมังสารนังคัจฉานิสังฆังสารนังคัจฉานิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นั่นแนหะคือสาระาที่พึ่งการจัดภัยได้จริงถ้าไปเห็นพุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็เวลาทาตุแตกขั้นดับกอไปเอาจิตไปอยู่กับพุทโธธรมโมน่นนะเอาจิตไปพึ่งเอาใจไปอยู่เอาไว้พึ่งอยู่กับพุทโธไปอาศัยอยู่พุทโธพุทโธ คือผู้รู้พู้โธคือผู้ตื่นผู้เบิกบานพุ้โธนี้ตายไม่เป็นอืไปไม่ก็ไม่ถูกพุทโธความตายก็ไม่ถูกพุทโธลมพัดก็ไม่ถูกพุทโธน้ำพ่วงก็ไม่ถูกพุทโธเราเอาใจไปอยู่กับพุทโธก็เรียกว่าได้สรณะที่พึ่งกาจัดใครได้จริงนี่แหละเอาวันนี้ก็พูดมาพอสมควรหลายเรื่องหลายรถ พอให้เราท่านทนั้งหลายนำไปพิจารณาใค่ควรพิจารณาดูให้ดูให้เห็นตามความเป็นจริงเอวังก็มีด้วยกว่ากาละชนิ